ท่ า, านระโคาวจรทั้งหลายและบรรดาพิสุสมณเทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ขอพูดเรื่องสรุปถึงการเจริญพระกรรมฐานถ้าจะว่ากันก็คือว่าเป็นการสอนกันในขั้นจบเพราะว่าการศึกษาพระกรรมฐานของบรรดาท่านทั้งหลาย ถ้าจะสร้างแบบสร้างแผงเรื่อยไปความจบเป็นการสร้างแบบมันก็ไม่มีแต่ทั้งนี้ก็ไม่มีอะไรมากนอกจากว่าการศึกษาพระกรรมฐานเราต้องการตัดอวิชชาคือความโง่แล้วก็สร้างวิชายเกิดขึ้นจังนั้นการแนะนำในการนี้ ยึงถือว่าเป็นการแนะนำขั้นสุดท้ายสรั บ, บเสียงตามสายที่แจ้นท่านเจน้าที่จัดเวลาหัวค่ำหรือว่าให้ให้เปิดติดต่อกันไปคือในหมวดของพระรมฐานที่สร้างขึ้นมาใหม่เป็นแบบหมวดผสมแล้วก็ต่อด้วยหมวดที่กล่าวต่อไปนี้ ซึ่งถือว่าเป็นการเรียนขั้นต้นแล้วก็จนกระทั่งถึงวาระจบจะได้ฟังกันอยู่ในขอบเขตเป็นเครื่องพิจารณาแต่ว่าเราจะเปิดจะทุกอย่างนักปฏิบัติก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติให้เข้าถึงจุดได้วันนี้จะให้ท่านรู้จักคำว่าอาวิชาและกวิชา อวิชานี่ท่านแปลว่าไม่รู้แล้วก็ขอโปรดทราบคำว่าไม่รู้ในที่นี้ไม่ใช่ไม่ใช่หมายความว่าไม่รู้อะไรเสรียทั้งหมดความจริงคนสัตว์เกิดมาย่อมมีความรู้เช่นรู้หิว ร้อนรู้กรหายรู้จักข้อรู้จักแม่รู้จักกิจการงานรู้จักปุจจาระรู้จักปุจสาปัสวะเป็นต้นเป็นอว่าคนเรามีความรู้แต่ว่าสําหรับคัมภิร์ชาที่ว่าไม่รู้นี่ท่นมีขอบเขตจํากัดคือว่าไม่รู้ที่สุดทุงความทุกข์ หมายความว่าไม่รู้จักหาเหตุที่ทำทางให้เกิดถึงความทุกข์ท่านเรียงไว้อย่างนี้คือหนึ่งไม่รู้จักทุกข์สองไม่รู้จักเหตุถึงให้เกิดทุกข์สามไม่รู้จักความดับทุกข์แล้วก็สี่ไม่รู้จักทางให้ถึงความดับทุกข์ ห้าไม่รู้จักอดีตหกไม่รู้จักอนาคตเจ็ดไม่รู้จักท้าอดีต ท, ท่านอนาคตแปดไม่รู้จักกปติจาสมุตบาทนี่เป็นอนววิชาที่เรียกว่าไม่โรนี่มีขอเขตจตามนี้เรืองความว่าไม่รู้ทุก และก็ไม่รู้เหตุแห่งความดับทุกข์นี่ปเป็นเรื่องสำคัญและก็สำหรับคำวิชาแปลว่าความรู้ในด้านวิชาที่เรียกว่าความรู้นี่ถเรียงไวาอย่างนี้คือหนึ่งวิปัสนา ญ, ญาณญาณอนับเข้าในส่วนแห่งวิปัสนาคือการรู้แจ้งเห็นจริง ตามความเป็นจริงนิชานะรู้รี่รว่ายอมรับนับถือกฎของความเป็นจริงนี่เป็นความรู้ชนิดหนึ่งสองรู้มโนโมยิธิคือสามารถสร้างธิทางใจได้อย่างตามที่พวกเราปฏิบัติกันด้วยวิกัน สามรู้อิทธิฤทธิสา ม, มารสแราสดงฤทธัยสี่รู้วิชาทาให้เกิดทิปสโสติยานคือหูทิพย์ปดรู้เจตุบริยานรู้จักกำหนดใจของอื่นคือรงเขาบุคคลอื่นขอโทษใน ห, ห้านะ ห้ารู้เจโตุบริยานรู้จักกาหนดให้รู้ใจคนอื่นหกปุเพนิวาสานุสติยานสามารถรู้เหตุที่ทำความสามารถที่จะหาทางให้รูก้การรุยชาติได้เ จ, จ็ดทิพยเจคุยานทิพยเจกุยานทำตาทิดให้เกิด แปดอาสวะข ย, ยานรู้จักทาอาสวะให้สิ้นไปเป็นแนวความรู้ของด้านวิชาแปรายการนี้ความสำคัญที่สุดก็คือรู้จักทาอาสวะข ย, ยานให้สิ้นไปคือทากิเลสให้สิ้นไปนั่นเองรวมความว่าวิชาและวิชาแตงกะสะกรู้แล้วว่า พอย้อนอีกครั้งหนึ่งวิชานี่ที่ว่าไม่รู้ก็เพราะว่าไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุให้เกิดทุก์ไม่รู้จักความดับทุก์ไม่รู้จักหาทางทิ้งความดับทุก์ไม่รู้จักอดีตไม่รู้จักอนาคต ไม่รู้ทั้งอดีตและอนาคตไม่รู้ปฏิจจสมบทบาทวันนี้ก็ยากต้องขอพูดถึงเรื่องของอวิชาก่อนเรื่องอวิชาที่คำว่าวิชาไม่รู้จักทุกไม่รู้เหตุที่ความดับทุกนะไม่รู้ความแล้วก็ไม่รู้จักความดับทุก คือไม่รู้เหตุด้วยเราก็ไม่รู้จักดับทุกข์้วยตัวนี้ตัวสำคัญสามตัวนี่แหละตัวสำคัญเป็นอันว่าวันนี้อธิบายกันตอนนี้หากขอให้เราทั้งหลายพากันศึกษาเรื่องอวิชชาให้เข้าใจบางทีท่านทั้งหลาย จะมีความเข้าใจว่าทําไมเรื่องข่าวิชามาพูดกันทําไมเป็นนั้นว่าถ้าท่านเข้าใจนวิชาเสียแล้วแล้วก็สามารถทำวิชาให้เกิดขึ้นอวิชาแปลว่าไม่รู้ทุกข์แปรปรวงโง่ถ้าสามารถทำวิชาคือความรู้ได้กับความฉลาดให้เกิดขึ้น ความสุขมันจะมีกับใจนี่คำว่าไม่รู้จักทุกก็ได้แก่คนที่มีความประมาทในความเป็นอยู่หรือว่ามีความประมาทในชีวิตคิดว่าเรายังไม่ตาย คิดว่าความเป็นอยู่ของเรามีความสุขคิดว่าเราไม่แก่คิดว่าเราไม่ป่วยคิดว่าเราไม่จนรวงความว่าเป็นความคิดเห็นในทางด้านแห่งความผิดแต่เนื้อแท้จริงๆการทรงชีวิตอยู่ของเราเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ เรื่องนี้ท่านหลายสุดสายกันมาพอแล้วเพราะว่าแบบแผนมีมากฉะนั้นต่อตวนี้ไปการเปิดเสียงตามสายเราขอให้ใช้วิชาสรุปคือใช้กรรมฐานหมดผสมแล้วก็ต่อด้ดยสายนี้ ไปมาวนไปวนมากะท่างนี้ถ้าใครเขามีความต้องการด้วยความรู้อย่างอื่นก็ให้หาทางศึกษากันเอามิฉนั้นเราจะไม่สามารถสทำจิตใจเขาให้เราให้เข้ามราุถึงมรรคผลได้ตั ว, วนัก ปฏิบัติที่ฟังแล้วจะไม่เกิดความเข้าใจต่อทีนี้ไปก็ยังมาขอพูดกันทึงว่าทำไมจึงไม่รู้จักทุก์เพราะว่าความจริงทุกมันมีอยู่แต่คนมองไม่เห็นทุกเหตุให้เกิดทุกมีอยู่ แต่คงคนมองเห็นเหตุที่ให้เกิดทุกข์มันถือว่าเป็นเหตุของความสุขแล้วก็ไม่รู้จักควานหาความดับทุกข์คำว่าทุกข์ในที่นี้ถ้าเราจะใช้ปัญญาพิจรารณากันสักเล็กน้อยเราก็จะทราบชัด ว่าความทุกข์ที่ปรากฏขึ้นกับเรามันมีอะไรบ้างมันนั่งหาความทุกข์ก่นเสมนิดหนึ่งคือความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราจริงๆนี่มันมีอยู่ทุกวันตอนเช้าตื่นขึ้นมามีความรู้สึกยังไงถ้าไม่ชำระล้างหน้าไม่แปรงฟัน มันสบายหรือไม่สบายถ้าดามาเอินตืกนขึ้ น, นแล้วการปวดอุจาระปัสสาวะมันเกิดขึ้นถ้าเราหาโอกาสในการถ่ายไม่ได้ใจของเราจะเป็นสุขแล้วว่าใจของเราจะเป็นทุกข์นี่เราไม่พูดกันถึงกายกายเนี่ยท่านมาถ้ามันไม่มีใจสักอย่างเดียวมันก็ไม่มีความรู้สึก ความสุขหรือความทุกข์นี่มันอยู่ที่ใจถ้า ห, หิวอาหารไม่ได้บริโภคอาหารมันเป็นความสุขหรือความทุกข์การประกอบกิจ ก, การงานทุกอย่างต้องใช้กําลังกายต้องใช้กําลังทรัพย์ต้องใช้กําลังความคิดมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ การปฏิบัติงานทุกประเภทต้องมีการเคาทุก้ะทั่งในระหว่างบุคคลหรือมีความขัดข้องในกิจการงานซึ่งมันเป็นไปเป็นไปได้ไม่สะดวกนักให้ความไม่สะดวกของกัจการงานเนี่ยเป็นเบรคการของความสุขหรือความทุกข์นั่งคิดดูให้ดีคนร่ำรวยสุขหรือทุก รวยมากระแวงอันตรายมากรวยมากมีความวุ่นวายมากลืมจนเป็ะนั้นว่าคนรวยนอนสะดุ้งอยู่ตลอดเวลาทั้งนี้ก็เกรงอันตรายจะเกิดขึ้นจากบุคคลต้องการทรัพย์สินซึ่งเรามีข่าวอยู่เสมอสองวันนี้ก็มีข่าว ว่าจับคนเอาไปเป็นเอาไปคับเป็นค่าถ่ายก็ เ, เรียกค่าถ่ายแล้วในโอกาสนี้น้ำท่วมมากบางบ้านถึงก็หมดตัวคือ น, น้ำท่วมถึงรลังคาทรั์ฟินอะไรมันจะเหลือบางคนก็ต้องลอยน้ำไปตายในน้ำเพราะไม่สามารถจะช่วยตนเองได้ สำหรับคนที่ยังไม่ตายก็มีได้ความหิวโหยตามข่าวที่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ทหารเข้าสารไปแจกคนมากกว่าเข้าสารเข้าทำการยื้อแย่งเข้าสารกันนี่เป็นว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นเรื่องของโรคมันเป็นสุขและวินทุก แต่บางทีสําหรับคนโง่ที่มีวิชาเข้าประจําใจก็จะคิดว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันไม่เกิดกับเราเพราะอะไรเพราะว่ามันยังมาไม่ถึงเราเราก็เลยนิคิดว่ามันจะไม่มาถึงเราแต่ก็ต้องคิดว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าถ้าการอย่างนี้มันเกิดขึ้นมันจะเป็นสุขแลือเป็นทุกข์ และก็ช่วยกันนั่งเล็งทังตรงนี้ให้มากนี่เป็นทุกภายนอกสำหรับทุกภายในที่เรีงกล่าวว่าเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความแก่เปน็นธรรมดาไม่สามารถจะร่วงพ้นความแก่ไปได้คนแก่นี่มีความสุขและมีความทุกข์ เรายังไม่แก่เราอาจจะไม่มีความรู้สึกหรือว่าคนแก่หลายๆคนก็อาจจะไม่มีความรู้สึกว่าไอ้ความแก่เนี่ยมันสุขหรือมันทุกข์คนที่ยังแก่ไม่มากหรือว่ายังไม่แก่อาจจะมองเหยียดหยามคนแก่ ว่าท่าทางของคนแก่นิเงโกโ ก, โกเงินไปที่หน้ารังเกียจจะลุกเจริเดินจะนั่งจะทำอะไรแต่ได้อย่างก็รู้สึกว่าหน้าเกลียดเสียทุกอย่างไม่ไ ม, ไมีอะไรดีเลยเนื้อาการอย่างนี้มันเป็นความประมาทที่เรียกว่าอาวิชชา ไม่ได้คิดว่าอาการอย่างนั้นสักวันหนึ่งข้างหน้ามันจะต้องมาพบ ก, กับเราทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าเรากับเขามีสภาพเช่นเดียวกันคนแก่ก็มาจากคนหนุ่มคนสาวสําหรับคนหนุ่มคนสาวไม่ช้าก็เดินเข้าไปหาความเป็นคนแก่ ถ้าเรายังไม่แก่ก็ดูคนแก่ที่เขาทำยังไงบ้างกิจการงานทุกอย่างเขาไม่สามารถจะช่วยตนเองได้เหมือนเมื่อสมัยความเป็นหนุ่มเป็นสาวงานที่เคยคล่องตัวคนแก่ทําไม่ไหวต้องช่วยคนอื่นหาคนอื่นเข้ามาช่วยทํา การที่จะไหววายคนอื่นเขามันเป็นอาการของความสุขหรือความทุกข์เราก็ต้องถือว่ามันเป็นอาการของความทุกข์ทั้งนี้เพราะอะไรทุกข์ใจกายเนี่ยมันทุกข์แน่เพราะว่ า, ากายเราถ้าไม่ไหวถ้าไม่วายคนอื่นเขาถ้าบังเอิญคนอื่น เขาเกิดไม่ตามใจเราท่า น, นี้มันจะเป็นยังไงล่ะเราวานเขาสมมติจะยกอะไรสักนิดหนึ่งวานเขายกเรื่องของเราต้องการในความนิดด่วนแต่เขาบอกเดี๋ยวก่อนก็ได้แม่เขาก็เดินเลยไปตอนนี้กำลังใจของเราจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ มันก็เริ่มเป็นทุกข์แล้วแก่เป็นทุกข์พอมาท่านก็บอกล่าว่าการเกิดขึ้นมันก็มีความป่วยไข้ไม่สบายเป็นธรรมดาไม่สามารถจะล่วงพ้นความป่วยไข้ไม่สบายไปได้อาการป่วยไข้ไม่สบายนี่ความจริงทุกคนมีมาทุกคนรู้จักป่วยมาตั้งแต่เกิด ไม่ใช่วิยญาเพิ่งรู้จักป่วยีกตอนที่เวลาที่อยู่นี่ความจริงเรารู้เรารู้จักป่วยกัมนมานานตั้งแต่เกิดมาวันแรกความเสียดทังมันก็เกิดอยู่ในคันของมันดามีความอบอุ่นในความไฟธาตุประคับพ ง, งมไม่ถูกต้องกับอากาศ มาออกมาจากท้องแม่ใหม่ๆคลายความอบอุ่นผิวกายต้องแสบและต้องระทมไม่ได้าการของความทุกข์จึงเกิดการร้องจห้ขึ้นมานี่เรารู้จักป่วยแล้วคําว่าโรคป่วยนี้หมายความว่าโรคโรคก็มาด้วอาการเสียแทงและจากนั้นมาแล้วก็มีโรคทุกอย่าง การป่วยไข้ไม่สบายแต่และคราวไม่ไดการของความสุขและความทุกข์นี่เป็นอนุวาสทุกมันมีอยู่กับเราทุกวันแต่เราไม่คิดโรคชนิดหนึ่งที่มีกับเราเป็นประจำวันที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าชิกัดฉาปรมารโอคาขึ้นชื่อว่าความหิวมันเป็นโรคอย่างยิ่ง โรคก็ประวัติเสียรแพงตอนนี้ความหิวมันมีกระเราหรือเปล่าในโรคหิวมันมีวันหลายครั้งยังมีโรคโปวดหัวท้องอืดเสียดท้องเจ็บโน่นปวดนี่ก็ไม่มีอะไรจะดีสักอย่าง นี่เป็นว่าการเกิดขึ้นเรามามันเต็มไปได้วยความทุกข์ทุกข์มันมาจากไหนมาจากขันหา้าคือร่างกายถ้าไม่มีร่างกายแล้วมันจะสุขแล้วมันจะมีทุกข์มาจากไหนต่อมาทุกสําคัญขั้นสุดท้ายก็คือความตายคนทุกคนก็เดินเข้าไปหาความตาย แต่พวกที่มีอวิชชาคือความงโง่ไม่เคยคิดว่าจะตายเห็นชาวบ้านเขาตายยอมรับนับถือว่าเขาตายเผาชาวบ้านเขาได้แต่ไม่เคยคิดว่าเราจะต้องถูกเผาบ้างอาการอย่างนี้มาปเปรียบการของความงโง่หรือเปรียบาการของความฉลาด อันนี้เราก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นอาการของความโง่ไม่เหยายการของความฉลาดสาหรับคนที่ฉลาดไปยังไงเขาก็คนที่ฉลาดมีความไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าถ้ายังเกิดอยู่อย่างนี้เราก็หาความดีอะไรไม่ได้ต้องหาทางตัดความเกิดเสีย คือสามารถทำอสวกิเลส ท, ที่ปรากฏในจิตให้สิ้นไปแต่ว่าการที่จะก้าวไปหาการทำกิเลสให้สิ้นไปก็ต้องแบ่งออกเป็นสามอย่างคือนั่นก็คือหนึ่งสุขวิปสัสสะก็เป็นสีอย่างนะสุขวิปสัสสก ทำอ า, า, าสวะกิเลสให้สิ้นไปโดยที่ไม่ไม่ไม่ถือว่าไม่ต้องหาวิชาอย่างอื่นเมาช่วยสาบสองเตวิโชมีวิชาสามสามชราปิญโญมีภิญญาหกสีป่ปิสัมมิทัปปตโตทำปิสัมมิทายานให้เกิดขึ้น แต่ความมุ่งหมายจริงๆก็คือการทำกิเลสให้เกิดขึ้นสุดแรกแต่กำลังจิตของคนถ้ากำลังจิตของคนมีความฉลาดจริงๆใช้จิตฉลาดมีความสามารถในการใช้ปัญญาก็ใช้สุขา ร, ริพสโกนี่สะดวกสบายแต่ความฉลาดน้อยไปแล้วก็ต้องอาศัยอย่างอื่นเข้าช่วยผสม นั่นก็คือวิชาแปดเพื่อนหนึ่งวิปาาัสนาญาณพยายามฝึกฝนค้นคว้าหาความจริงด้วยกำลังของปัญญาเป็นคนรู้จักเหตุรู้จักผลสองถ้ากำลังปัญญามันอ่อนไปก็ใช้มโนมยิธิคือมีฤทธิ์ทางใจ สามารถถอดอทิษมานในกายคือกายภายในท่องเที่ยวปฏิภพต่างๆไปวิสูตรดูคำสอนข อ, ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่านารกมีจริงเปรตมีจริงสุรกายมีจริงเรื่องสติฉันยมนุษย์มันต้องโหดเองนี่จนแล้วเทวดามีจริงพรหมมีจริงนิพพานมีจริงนั่นมันจริงหรือไม่จริง เพื่อความมั่นใจคนตัวเองก็ต้องสร้างมโนยุทธิให้เกิดขึ้นหรือบริการที่สามสร้างฤทธิ์ให้เกิดขึ้นตัวสามารถสแสดงฤทธิ์ต่างๆเขอเหินดนรยากาศไปในโกรกสวรรค์ น, นี่เลยหรือว่าสร้างสติปัฏยานโหทิิสา ม, มารถฟังเสียงเทวดาเสียงพรหมเสียงสัตว์นรกได้ได้ทุกเสียง เนือว่าห้าเจตุปรลยยานใช้วิชาพิจารณาจิตตนและจิตของคนอื่นเพราะว่าไอจิตจริงๆเนี่ยที่มันมีอะไรเข้ามาผสมเนื้อแท้ของจิตมันอะไรบ้างที่ความดายามมันเกิดขึ้นเพราะอาศัยอะไรเป็เครื่องเสียมสอนอะไรเปนเครื่องห่มหอ่ออุพเณิวาสานุสติยาน สร้างความรู้ระลึกชาติถอยหลังลงไปได้เป็นการช่วยกำลังใจทั้งหมดนี่นะช่วยกำลังใจเพื่อทำอกิเลสให้หมดไปแล้วก็เจ็ดทิพยจกักรคุญาณทำตาทิพยสามารถเจรู้เทวันดารู้สวรรค์นุณรกรูปพรมนุปิ่านได้ าการกระทำอย่างนี้ก็เพื่อสร้างกำลังใจเพื่อความมั่นคงให้เข้าถึงอาสวะขยานอาสวะายานก็หมายความว่าทำกิเลสคือความชั่วของจิตให้มันหมดไปนี่เป็นว่าสำหรับวันนี้เ้าขอแนะนำท่านหลายให้รู้เรื่องของอาวิชาและกวิชาให้ทราบ ว่ า, าวิชาได้แก่อะไรทนกอีกนิดหนึ่งก่อนจะหมดเวลาหรือเวลาสองนาทีอวิชาได้แก่นหนึ่งไม่รู้จักทุกนี่เพื่อความโง่สองไม่รู้จักเขตเ่องความแห่งใครที่เกิดทุกสามไม่รู้จักไม่รู้จักความดับทุกข์แล้วก็สี่ไม่รู้จัก ทางถึงความดับทุกข์ห้าไม่รู้จักอดีตว่าข้างหน้ามันจะเป็นยังไงหกไม่รู้จักอนาคตเจ็ดไม่รู้ไม่รู้จักหน้าอดีตอนาคตแปดไม่รู้จักปฏิจจสมปัตย์หมดหสมบัติคือหมายความอะไรมันเกิดขึ้นแล้วต่อไปอะไรมันเกิดขึ้น ยันนั่นกล่าวาวิชาปฏิยาสังขารและสังขารปฏิยาวิญญาณังวิญญาณปฏิยาตามลาดับเพือเสื่มหลับวิชาวิชาก็มีแปดอย่างเพื่อทําทจิตให้สิ้นจักรีเลสคือให้พ้นทุกข์ถ้ากําลังใจอ่อนก็พยายามเจริญวิปัสนาญาณเอาจิตเข้าไปยอมรับนับถือความเป็นจริง แล้วก็ทำฤทธิ์ทางใจให้เกิดขึ้นที่เรียกกันว่ามาโนยิทธิที่เราฝึกกันราะวาสร้างฤทธิ์ให้เกิดขึ้นด้วยสามแาะี่ทำหูให้เป็นทิพห้าสร้างกำลังใจสามารถรู้ใจตนและใจคนอื่นหพยายามสร้างวิชาลึกชาติได้ถอยหลังไปหาความจริงเจดทำตาทิ่ให้เกิดขึ้น เพื่อทําจิตให้พ้นจากอาสวะอราบรรดาท่านพุทธบริสัทธ์ทั้งหลายและประโยคาวจรทั้งหลายวันนี้เราก็เริ่มต้นขั้นสรุปของการเจริญพระกรรมทานหลังจากนี้ไปก็จะในวันต่อต่อไปก็จะได้นำหลักการแห่งการเจริญพระธรรมทานในขั้นสรุป ถือว่าเป็นหลักปฏิบัติสำหรับสำนักของเราคือว่าการเปิดเสียงตามสายให้ใช้กรรมฐานหมดใหม่และก็บทสุโรปนี้วนกันมาวนกันไปเพื่อความเข้าใจของนักปฏิบัติอะบันดา ท, ท่านพระธรรมสัจเวลาที่จะพูยกันก็นหมดแล้วต่อที่นี้ไปขอสาบวกขององค์สมเด็จพระบพตรแก่ทุกท่าน จงตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกใช้คํำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจนหย่อเห็นว่าเวลานั้นสงคนแก่การของท่านสวัสดี